เนี่มาดูชัศสูตรพระพิสูจน์ี่ก็น่าดูเหมือนนะคุยกันเรื่องใครรวยกันในราชสูตร น, นะก็คือคุยถึงสมบัติพระราชานี่แหละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายมากด้วยการกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันในศาลาเป็นที่บํารุงเรียกว่าอุปถานศาลาศาลาฟังธรรมเนี่ย น, นะ ก็เกิดสนทนาขึ้นในระหว่างว่านะไม่รู้ว่าใครจับประเด็นขึ้น น, นะดูก่อนอาบุโสทั้งหลายบรรดาพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมทัพพะนามว่าพิมพิสารก็ดีพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ดีองค์ไหนหนอแลมีพระราชทรัพย์มากกว่ากันมีโภคสมบัติมากกว่ากันมีท้องพระคลังมากกว่ากันมีแว่นแคว้นใหญ่กว่ากันมีพาหนะมากกว่ากันมีกําลังมากกว่ากันหรือมีอนุภาพมากกว่ากัน พระเจ้าประเซนที่โกศลกับพระเจ้าพิมพิสารจริงก็เป็นอะไรนะต่างฝ่ายก็ต่างเป็นน้องเคยซึ่งกันแล้วกันนะเขาก็อนะันนั้นเป็นการอยาศึกอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมพระพิสุก็มานั่งคุยกันว่าใครรวยกักนนะนะสรุปเนี่ยพระราชาสององค์เนยนะก็พระราชาใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่สององค์ใ ห, ใหญ่กว่เพื่อนเลยคือพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลนีนะ การสนทนาในระหว่างภิกษุเหล่านั้นค้างเพียงนั้นครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกร้นก็คือไอคำว่าลีกร้นเนี่ยเจอที่ไหนให้ให้โนต้ตได้เลยว่าออกจากการเข้าพร ะ, ะสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะลีกร้นนะนะไม่ใช่เป็นนั่งเงียบๆจ้องเงียบเป็นหลับไม่ใช่พระองค์นี้ก็เสด็จเข้าไปยังศาลาเป็นที่บำรุงประทับนั่งบนอาสนะที่บุคคลปูราดไว้ ครั้นแล้วตรัสถามพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนอะงนของเรานี่ตอนทานอาหารคุยเรื่องอะไรอริยสัจนะ <c oughs> การสนทนาในระหว่างขอ ง, ของเธอทั้งหลายที่ยังค้างอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรพิสูจเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระโวโรกาสเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันในศาลาเป็นที่บํารุง เกิดสนทนาการขึ้นในระหว่างว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายบรรดาพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมทัพพระนามว่าพิมพิสารก็ดี น, นะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคำว่าพิมพิเนี่ยนะตัวนั้นเป็ประดุตเป็นชื่อทองเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รูปงามมากนะผิวพรรณประดุตทองแล้วก็เป็นจอมทัพแผ่นดินมคตเนี่ยนะ กับพระเจ้าประเซนที่โกศลก็ดีองค์ไหนหนอแลมีพระราชทรัพย์มากกว่ากันมีโภกสมบัติมากกว่ากันมีท้องพระคลังมากกว่ากันมีแว่นแควนมากกว่ากันมีพาฮณะมากกว่ากันมีกําลังมากกว่ากันมีฤทธิ์มากกว่ากันมีอนุภาพมากกว่ากันไอ้คําว่ามีฤทธิ์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสั่งงานสําเร็จเนี่ยนะบางคนเนี่ยยิ่งใหญ่จริงแต่ว่าสั่งงานอะไรไม่ได้เลยคําว่ามีฤทธิ์ก็คือมีมีสามารถสั่งการสั่งอะไรอยากจะทําอะไรก็สําเร็จดังใจนึกเนี่ยนะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการสนทนาในระหว่างของข้าพระองค์ทั้งหลายนี้แลค้างอยู่เพียงนี้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระเจ้าข้ า, านะนกำลังสนทนากันเนี่ยถ้าปล่อยให้คุยยาวนี่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเนยนะอาจจะวงแตกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นพวกพิสุที่มาจากแคว้นมคตโอต้องพระราชามคตสี่ยิ่งใหญ่นะถ้าพิสุกลุ่มเมืองสาวัตถี ก็บอกพระเจ้าประเซนสิยิ่งใหญ่นะเพราะทุกคนพราะคุยอย่างนี้เข้าเนี่ยนะมันก็เริ่มแยกแล้วคาถามประเภทนี้เนี่ยที่จริงอะ่ะถ้าเป็นพระพิสูจนไม่ควรเอามาตั้งแล้วก็โจดคุยกันแบบนี้หรอกไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเตือนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายพึงกล่าวถ้อยคําเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวช เป็นบรนประชิตด้วยศรัทธาเลยโอ้ยคํานี้เนี่ยหนักที่สุดเลยนะออกบวชมาแล้วเนี่ยนะไม่สมควรเลยนะบวช ด, ด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาคุยเรื่องนี้นี่ไม่ไม่เหมาะเลยไม่เข้าท่าเลยแบบนั้นดูก่อนพิ่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายประชุมกันแล้วควรทําเหตุสองประการคือทํามีกถาหรือดุษฎียภาพดุษเนียภาพอันเป็นของพระอริยะคือนิ่งอย่างพระอริยะนั่นเอง ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ากามมาสุขในโลกและทิพยสุขย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่ส6บหแห่งสุขคือความสิ้นตัญหาหมายค่าว่าสุขในกามหรือสุขในสวรรค์หรือสุขที่ไหนก็ช่างเถอะอยังไงมันก็ไม่ได้สุขเท่ากับการบรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรหรอกการบรรลุเป็นพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยสุขที่สุดแล้วเนี่ยนะ ก็ที่จริงไอ้ผู้มีอำนาจเป็นต้นที่กล่าวว่าพระราชามีทรัพย์มากมีโภคะมากมีท้องพระคลังมากคือท่านเชื่อว่าบุคคลผู้มีสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสุขไม่อย่างนั้นหรอกคนที่มีความสุขที่แท้จริงคือคนที่สิ้นตัญหานั่นแหละเป็นผู้ที่มีความสุขจริงเนี่ยนะโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยนะครับบ้านผมมีแอร์1 8ตัวแต่ผมนี่ร้อนมากเท่าไง ผมต้องไปนั่งอยู่ที่วัดมันจึงจะเย็นเขาเคาะเรา อ, อย่างนั้นนะนะพันบางทีก็อาจไม่ได้ช่วยให้เย็นก็ได้เนะพันคำว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันสุขสุขเนี่ยจริงๆอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนถ้าสุขอยู่ที่วัตถุภายนอกล่ะถ้าเราป่วยวัตถุภายนอกช่วยอะไรเราได้พันความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะก็เขาบอกว่าสุขที่เกิดจาก ความสิ้นตัณหาเนี่ยเป็นสุสขที่สูงที่สุดเนี่ยนะส่วนวัตถุข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นอันนี้เป็นเหตุให้ได้รับความสะดวกสบายนะนะเป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้ได้รับความสะดวกความสบายแต่ว่าไม่ใช่เหตุแห่งความสุขที่แท้จริงอะไรเนี่ยนะนะีนะ่มาดูพระภิกษุที่มานั่งประชุมกันเนี่ยนะ ประชุมกันถึงเรื่องมีทรัพย์มากใครมีทรัพย์มากมีฤทธิ์มากมีข้าวของเครื่องใช้มากเป็นต้นไม่อ่านนะนะว่าระหว่างพระราชาพระเจ้าประสเส้นที่โกศลกับพระราชาพิมพ์ิสารเนี่ยนะไม่คุยไม่ไ ม, ไม่ไม่อาหรอกมาดูหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดีกว่านะ <c oughs> พูดถึงเวลาเย็นที่พระผู้มีพระภาคออกจากที่เร้นเลยว่า ปฏิสันลานาวุติโตความว่าออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นๆจากการเก็บจิตจากพระสมาบัติกล่าวคือการหลีกเร้นตามเวลาที่กําหนดไว้การหลีกเร้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลีกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะและหลีกออกจากสังขารโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นเวลาเย็นพระองค์ก็ออกจากพระสมาบัติตามเวลาที่กําหนดเอาไว้นี้พูดถึง ความเป็นไปของพระพุทธเจ้าในวันนั้นก่อนนะนะตั้งแต่เช้ามาเลยจริงอยู่ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์สเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีสเสวยพระกยาหารที่พวกภิกษุจัดบิณฑบาต ท, ที่ตนได้มาด้วยดีถวายบางครั้งนั้นพระพุทธเจ้าฉันอาหารที่หมู่ภิกษุนี่เข้าจัดถวายให้เพราะบา ง, บางแม้แต่สมัยนี้ก็เหมือนกันหลายแห่งนั้นพระภิกษุที่ท่านไปบิณฑบาตเนี่ยท่านจะจะแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งมาให้อาจารย์ท่านเนี่ยนะ บางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพิสุไปบิณฑบาตก็ได้อาหารที่ประนีตก็แบ่งเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เสด็จออกจากกรุงสาวถัีพร้อมด้วยพิสุทั้งหลายแล้วก็เสด็จเข้าพระวิหารประทับยืนที่หน้ามุกพระขันธกุติประธานสุขโตวาดตามที่ยกขึ้นแสดงแก่พิสุทั้งหลายผู้มายืนอยู่แล้ว นนะคําว่าประทานสุขโตวาสเนี่ยพระองค์จะเตือนทุกวันเลยทุกครั้งก่อนที่พระองค์จะเข้ากุฏิบอกว่าพุทุ ป, ปาโททุลโภการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเนี่ยนะการที่เธอทั้งหลายได้เป็นมนุษย์ก็เป็นของยากที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะมีศรัทธาก็เป็นของยากที่มีศรัทธาแล้วจะได้บวชก็เป็นของยากเมื่อบวชแล้วจะได้ฟังธรรมก็เป็นของยากพระสัทธรรมเนี่ยยากยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายอย่าประมาท พองให้อวาตอย่างนี้เสร็จพิสุก็จะขอกรรมฐานขอกรรมาฐานพระองค์ก็สอนธรรมะให้ไปกรรมฐานก็คือสอนธรรมะนั่นแหละสอนธรรมะพระพิสุเหล่านั้นก็ทรงจําพระธรรมนะก็หลีกเล้นไปพระองค์ก็เข้ากุฏิไปกต่เข้ากุฏิก็ไม่ได้เข้าไปหลับอะไรนะเขเข้าไปเข้าพร ะ, ะสมาบัติเมื่อพิสุเหล่านั้นไปยังที่พักกลางวันมีโคนไมใ้ในป่าเป็นต้น พระองค์ก็เสด็จเข้าพระคันตะกุติคันท่าตัวนี้แปลว่ากลิ่นนะกุติมีกลิ่นเั้นกันเถอะก็แปลว่ากุติพระพุทธเจ้าเขาอบด้วยกลิ่นหอมบางทีก็แท้กุติไม้จันทเป็นต้นอ่ะนะพระองค์นี้ยับยั้งอยู่ตลอดวันด้วยสุขอันเกิดแต่พระสมาบัติว่าใครจะมีความสุขเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนาะ แล้วก็ออกจากพระสมาบัติตามเวลาที่กําหนดไว้พระองค์ดำริว่าบริษัทสีเนี่ยรอคอยเราเพราะว่าเขามีบริษัทมาคอยฟังธรรมใช่ไหมบริษัททั้งสีนี้เข้าไปนั่งเต็มวิหารทั้งสิ้นโอ้เยอะนะคนไปฟังธรรมเยอะมากบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปยังธรรมสภามนทนเพื่อแสดงธรรมแสดงธรรมคือแสดงอะไร ทวนไว้เสมอนะคือแสดงอริยสัจจรทำนะดังนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะออกจากพระคันทกุตีที่อ่ที่อันหอมตลบเหมือนอะไรประดุดไกรสอนราชสีออกจากถ้ำทองมีพระดำเนินเยื้องกลกรสง่างามด้วยพระวรากายอันไม่โยกคลงเหมือนช้างตัวประเสริฐซึ่งซับมันเข้าไปสู่โคลงฉะนั้น ทรงกระทําวิหารทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครั้งคราวไปบางครั้งนี่แผ่รัศมีไปหมดก่อนแล้วพระ อ, องค่อยเสด็จไปแผ่รัศมีให้สว่างว่าตอนเนี้พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วนะบางทีก็มาแบบเงียบๆไม่มีใครรู้เลยบางทีก็หายตัวมาปรากฏเฉพาะหน้าเลยก็มีแล้พระ อ, องค์ก็ตามสมควรแก่สถานการณ์ว่าจะทําอย่างไรตรงนี้พระ อ, องค์ก็แผ่รัศมีไปเนี่ยนะ ด้วยพระรูปรกายสมบัติอันรุ่งโรดด้วยมหาปริศลักษณะ32ประดับด้วยอนุพยัญชนะ80ประกอบความงามอันแวดล้อมด้วยพระสมีด้านละว่าประดับด้วยเกตุมาลาอันประพัสสอนชายพระพุทธรศมีมีสีหกประการพระนละก็คือสีหกประการคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหงสบาทและประพัด ส, สอนพุทธานุภาพอันนี้เป็นอจินไตย ประกอบด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบไม่ได้เสด็จเข้าไปยังอุตถานาศาลาศาลาเป็นที่บํารุงศาลาเป็นที่ฟังธรรมเนี่ยนะใครเห็นก็เลื่อมใสายหมดเลยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอย่างนี้แล้วทรงเห็นทิ่สูเหล่านั้นแสดงวัดเงียบอยู่นะคือพระภิกษุเนี่ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเข้ามานี่เงียบหดเลยพระองค์ก็ดําริว่าเมื่อเราไม่กล่าวภิกษุเหล่านี้ก็จะไม่กล่าว แม้แต่ความไม่พูดเลยนะถ้าพระองค์ไม่ตรัสขึ้นก่อนเนี่ย พ, พวกพวกนี้จะนั่งนิ่งจนตายเพราะความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ยอมพูดเลยของเราก็ต้องรอให้เขาพูดจบก่อนแนละ้ค่อยคุยอย่างนี้เนานะ mm hmm. ก, ก็ไม่เป็นไรก็คนละยุคแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็ประวรัติาด้วยประวัติาของสัพพันยูอย่างนี้ว่าภิกษทุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันในที่นี้ด้วยเรื่องอะไรเนอ และเรื่องอะไรและเรื่องของพวกเธอเนี่ยเป็นไฉไรยังไม่จบลงเพราะการมาของเราเป็นเหตุพวกเธอพึงให้เรื่องนั้นอะจบลงเถิดคือหมายคะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้ามานี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่อันนเรื่องของเธออย่าเสียหายเลยเนี่ยนะพอพระองค์ประทับนั่งบอกว่าคุยกันต่อนะคุยให้จบเรื่องเลยนะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องหรอกว่า ง, งั้นแต่ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ หันหน้าออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หันไปหาสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าคุยเดรชารคาถาพระองค์ก็ดึงไปหาธรรมะนั่นแหละแต่นี่ที่พระพิสุก็เล่าให้ฟังใช่ไหมเล่าให้ฟังว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องพระราชาสองคนในี่ใครรวยกักนพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเลยว่าไม่สมควรนะไม่สมควรที่พวกเธอเนี่ยเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชด้วยศรัทธาคาว่าศรัทธาคืออะไร ศรัทธาคือเชื่อมีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมแล้วก็มีศรัทธาในพระตนตไตรที่เธอออกมาบวชก็เนื่องจากเธอเนี่ยรู้ความที่ทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเรามาด้วยกรรมของเราเราก็จะไปด้วยกรรมของเรานะแล้วก็เชื่อว่าพระตนตไตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนธรรมะเพื่อความผลทุกก็คือรู้กำรรและผลของกรรมเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าพระรัตนตรายนั้นช่วยเราออกจากวัฏฏุกข์ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะมันผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธา <c oughs> พอมีศรัทธาก็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตอธิบายโยชนานีแแ่แปลว่าประกอบเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธข้อที่ไม่สมควรของบรรปชิตผู้ประชุมกันอย่างนี้ว่าภิสูุ์ทั้งหลาย พวกเธอเนี่ยนะที่มาบวชนะไม่ใช่ถูกพระราชาบังคับไม่ใช่ถูกโจรบังคับบางทีก็บอกว่าไม่ได้บวชหนีพระราชาไม่ได้บวชหนีโจรไม่ใช่มีคดีเพราะติดหนี้เป็นต้นแล้วก็ที่มาบวชก็ไม่ใช่ว่าหมดทางอยู่กินแล้วนะไม่มีทางไปแล้วพรันไม่ได้บวชเพื่อจะเลี้ยงชีวิตโดยที่แท้พวกเธอออกจากเรือนบวชในาศาสนาของเราก็บวช ด, ด้วยศรัทธา นะศรัทธาว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนะแล้วก็มีศรัทธาในพระธรรมตรายว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกแล้วบัดนี้พวกเธอกล่าวเดรฉานกระถาคําพูดนี้เรียกว่าเดรฉานกถานะคุยว่าพระราชาสองคนในี้ใครรวยกันทําไมจึงเรียกว่าเดรฉานกรถาเพราะขวางขวางทางสวรรค์และขวางทางนิพพานเดรฉานนี่แปลว่าขวาง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอคุยกันนี่มันขวางทางสวรรค์ทางนิพพานนะด้วยคำพูดเกี่ยวด้วยพระราชาเห็นปานนี้ข้อที่กล่าวเรื่องเห็นปานนั้นไม่เหมาะไม่ควรแก่พวกเธอเลยบัดนี้เมื่อจะทรงอนุญาตข้อปฏิบัติอันสมควรแก่พิสษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าพิสูจ์ทั้งหลายกิจสองอย่างที่พวกเธอผู้ประชุมกันพึงกระทำสองอย่างคืออะไรหนึ่งกล่าวทำมีกถาอะไร กล่าวพร้อมกันเลยไม่หรือเอายังไงแย่งกันพูดไม่ใช่ก็พูดทีละคนเป็นต้นนะนะก็เอาให้เหมาะไปแล้วกันนะว่าสนทนาก็สนทนาฟังก็ฟังไปทํามีคาถาหมายคำว่าสนทนาธรรมหรือฟังทมนั่นแหละอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองก็เป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะอธิบายอธิบายทำมีคาถาคําว่าทำมีคาถาคือถ้อยคําที่ไม่ปราศจากธรรมะคือสัจจะสี่นะเคยมีบางวัด เขาก็สนทนาเพอเจร์กันไปเรื่อยเรื่อยเื่อยคุยกันเจ็บนะบอกว่าสนทนาอะไรกันอยู่ก็บอกว่าก็าสนทนาเรื่องนี้แล้วมันอริยสัจยังไงก็มันไม่เที่ยงอะครับเขาบอกงั้น <c oughs> <c oughs> พออาจารย์เดินมาก็บอกมันไม่เที่ยงครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าจะหาทางเข้าให้มันได้สักคำหนึ่งะนะ <c oughs> <c oughs> แค่ก็เล่เหลี่ยมมากเหลือเกิน <c oughs> ลักษณะกิริยาดังที่กล่าวไปเรียกว่าคนมีมายาเนี่ยนะหลอกลวง ถ้ารรมีกถานั้นต้องเป็นคําพูดที่ไม่ปราสศจากสี่หมายว่าผู้ต้องสอดคล้องต่ออริยสัจทั้งสี่คือถ้าพูดถึงทุกขสัจก็พูดในฐานะปริญญาพูดถึงสมุทยัยสัจไม่ได้พูดเพื่อส่งเสริมแต่พูดเพื่อละพูดถึงนิโรสัจก็เพื่อทําให้แจง้งพูดถึงอริยมรต ก, ก็ประสงค์จะเจริญ น, นี่นะอธิบายว่าเทธรรมเทศนาอันสแสดงถึงปวัตต์และนิวัตต์ วัตตะคือทุกขสัตว์ที่เป็นไปนีวัตะคือนิโรสัจนะนั่นเองก็ทำมกถากล่าวคื อ, อบางทีก็สนทนากถาวัตถุสิบก็ได้ น, นะกระถาวัตถุสิบก็คืออะไรสนทนาเรื่องมากน้อยสันโดษการไม่คลุกคลีการปรารบความเพียรพูดถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะอันนี้เป็นเรื่องที่สมควรแก่เอามาพูดคุยกันพัน กถาวัตถุสิบก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนานั่นแหละอันนี้ในที่หนึ่งนะว่าถ้าจับกลุ่มรวมกันก็ให้ฟังธรรมสนธนาธรรมสนธนาอริยศัสตร์หรือสนธนากถาวัตถุสิบเป็นต้นนั่นเองที่สองนิ่งอย่างพระอริยะคำว่าอริยะนี่โดยสับก่อนนะอริยานี่เพราะอะไรเพราะนาประโยชน์มาอย่างแท้จริงนาประโยชน์ไหน ก็คือประโยชน์คือพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอริยะก็คือผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอริยะเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์คือสูงสุดตัวนีภาวโคือการไม่พูดกันขออภยัยการไม่พูดอันเป็นตัวสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคำว่านิ่งก็คือนิ่งด้วยสมถะและนิ่งด้วยวิปัสสนา บางท่านบอกว่านิ่งด้วยทุติยฌานบางท่านบอกว่านิ่งด้วยจตุตถฌานในที่นี้มีอธิบายดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทังหลายพวกเธอมีกายสงัดอยู่ในสุญยาคารสุญยาคารก็คือที่ไหนที่ท่กุติที่เงียบๆนะที่หล็กเล่นอ่ะสุญยาคารแปลว่าหรืออาคารว่างอ่นะ ก็เพื่อจะพอกพูนจิตตะวิเวกนะไปอยู่ในที่เงียบเงียบไปอยู่ตามกุติต่างๆก็ไปเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาเป็นต้นเพื่อให้จิตสงดจากนิวรณ์เป็นต้นนั่นแหละถ้าพวกเธอจะประชุมกันเป็นบางครั้งนะมีกิจต้องได้ประชุมกันนะครั้นพวกเธอประชุมกันอย่างนี้พึงให้รรมรราที่เกี่ยวด้วยอนิจจลักษณะเป็นต้นแห่งสภาวะธรรมมีขันเป็นต้น เป็นไปโดยเป็นอุปการะแก่กันและกันถ้าหากว่าเธอจะนั่งนั่งปรารบกันเอ่อนั่งประชมกันสนทนากันนะก็คุยซิว่ารูปไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้รูปเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้รูปเป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้เวทนาไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เวทนาเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เวทนาเป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้เ น, นี่ยนะเราคิดดูนะพระพิสุท่าไม่คุยกันเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอะไร หนักๆเข้าก็ไปบริหารบ้านเมืองแทนคารวาสเขาหมดเลยในสภาในสภานักบวช ด, ด้วยกันเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ได้ท่านกิจที่สมควรที่จะไปอ่กิจที่สมควรของพระพิสุขที่บวช ด, ด้วยศรัทธานั้นก็คือการสนทนาธรรมะโดยเฉพาะสนทนาอริยสัจเนี่ยนะอันนี้จารักษณะในขันเป็นต้นก็คือทุกขสัสนั่นเองใช่ไหม อย่างที่เมื่อกี้เราก็ยังสวดนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นถ้าหากว่าเราบวช ด, ด้วยศรัทธาหรือผู้ที่มาศึกษาพระธรรมด้วยศรัทธาก็มาสนทนาสิว่ารูปไม่เที่ยงอย่างไร น, นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นอนัตตา อย่างไรสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไรก็มาสนทนากันน่นะตามนยะที่กล่าวได้แล้วนั่นนะเพราะนั้นการสนทนากันเนี่ยย่อมทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังน่นะเพราะว่าไปสนทนากับผู้ที่มีความรู้เขาก็หยิบยกเอาพระธรรมต่างๆที่ยังไม่เคยฟังให้ได้เคยฟัง หรือสิ่งใดที่เคยฟังแล้วก็ทําสิ่งที่เคยฟังนั่นแหละให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะในในี้ในที่หนึ่งก็คือสนทนากันอย่างที่สองก็ อ, อกพึงอยู่ด้วยฌานสมาบัติเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนแก่กันและกันก็อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรก็นั่งคิดให้เอะก็เลยนะไม่มีอะไรคุยจริงๆก็นั่งคิดให้คนรอบๆมีความสุขก็แล้วกันน ะ, จะเจริญเมตตาไปใช่ไหมหรือคิดเพื่อให้เขาพ้นทุกข์คือ กรุณาไปถ้าไม่งั้นก็เจริญมรณานุสติก็ได้นี่นะเขากับเราก็มานั่งรอความตายเหมือนกันหมดนะไม่นานเนาะมัจจุราชก็จะดึงไปประหารทีละคนทีละคนทีละคนบางคนก็ถูกซ้อมถูกเคี่ยนแล้วก็บองตีหัวก่อนปวดหัวก็บองตีฟันปวดฟันนะบีบรัดลำไส้ซะจนป่วยก็คือสรุปว่าแล้วแต่เพชฌฆาตมันจะฉุดไปนะทุกคนก็นั่งรอความป่วยและความตายเหมือนกันหมด นะก็เจริญมรณานุสติก็ได้นะนะหรือเจริญธาตุสี่ก็ได้นะก็เจริญได้ทั้งหมดแหละปัญหาว่าจะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นแหละต่อไปบรรดากรณียกิจสองอย่างนั้นสองอย่างคืออะไรทวนเะนียกรณียกิจสองอย่างหนึ่งสนทนาธรรมสองนิ่งอย่างพระอริยะกรณีแรกคื อ, อใช้คําว่าทำมีกถาดีกว่านะการกล่าวธรรมเนี่ยทำมีคาถากล่าวธรรมเนี่ย แสดงถึงอุบายเป็นเหตุอย่างลงในพระศาสนาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อย่างลงใครที่ยังไม่เข้าถึงศาสนาเนี่ยจะต้องอาศัยทรมีกระถาก่อนนะต้องอาศัยการกล่าวธรรมก่อนจึงจะเข้าถึงพระศาสนาได้คาว่ากล่าวไม่ใช่หมายถึงว่ามีผู้รู้เขากล่าวให้เราฟังเราจะได้อย่างลงสู่พระพุทธศาสนาได้ศาสนานี่เป็นชื่อของอะไรเสขาสามเนี่ยนะ เราที่จะยังลงสู่อธิศิลศิกษาอธิจิตติึกษาอธิปัญญาศิกษาได้ก็ต้องอาศัยธรรมมีกาถาคือการกล่าวธรรมคือการฟังธรรมก่อนกรณีอย่างกรณีหลังก็คือนิ่งอย่างอริยะหมายถึงการแสดงอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสังสารวัตรสำหรับผู้ที่ยังลงสู่ศาสนาแล้วพันถ้าหากว่าเข้าใจทิศทางเข้าใจแนวทาง เข้าใจข้อปฏิบัติดีอยู่แล้วเข้าใจวิธีอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาดีอยู่แล้วการนิ่งเนี่ยจะช่วยอย่างมากเลยคือพูดมากเนี่ยนะบางทีพูดพูดพูดไปเนี่ยพูดมากกว่าที่รู้ใช่ไหมพูดไปพูดมาบางทีรู้นิดเดียวเองนะพูดซะจนพูดคนพูดเองก็ยังไม่รู้ใครพูดให้มันเป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้มันกันเหนื่อยนะลิ้นมันทาไปอะไรคล้ายๆแบบนั้นนั้นเพราะฉะนั้นไอการที่มีความรู้มีความเข้าใจแล้วนิ่ง บางสูตรนี่เขาบอกว่าพวกมีปัญญาน้อยๆเนี่ยนะเหมือนแม่น้ำเรียกว่าเหมือนน้ำในก็บอกครึ่งเดียวอะเสียงมันดังมากแต่น้ํานิดเดียวหรือเป็นลักษณะน้ําห้วยอะนะที่มันไหลเป็นน้ําน้ําไม่เยอะเนี่ยถ้าน้ํำน้อยๆเนี่ยไหลมันจะมีเสียงดังมากแต่ถ้าเป็นแม่น้ําใหญ่ๆไหลเป็นยังไงนิ่งเนี่ยนะน้ำเยอะก็จริงแต่ไหลนิ่ง เงียบเหมือนเพราะอะไรเพราะวันนะฮมันเยอะผู้ทีเ่เรียนก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้ารู้ไม่ค่อยมากเนี่ยโอ้ขยันจริงๆเลยแต่คนที่รู้มากๆจริงๆนะกลับเงียบอย่างเดียวเพราะอะไรพูดมากก็ประโยชน์อาจอาจจะไม่มากเลยเนี่ยนะพูดมากยิงแต่ประโยชน์ไม่มากก็ไม่พูดซะดีกว่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเป็นคนที่รู้การรู้ความเหมาะสม สรุปว่าผู้ที่ยังลงสู่พระศาสนาเข้าใจทิศทางเข้าใจแนวทางคืออธิสีลสศึกษาที่จิตติึกษาที่ปัญญาศิกษาก็มันสงบนิ่งเงียบเพื่อที่จะเจริญศิกษาสามจะได้สลัดออกจากสังสารวัตรสลัดออกจากสงสารสงสารตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาบาลีนะเอภาษาไทยนะสงสารภาษาไทยแปลว่าเห็นใจมากอันนี้หมายถึงสังสารวัต นิ่งอย่างไรที่จะออกจากขันธาตุอายตนะได้นิ่งอย่างไรที่จะออกจากตาหูจมูกเลนกายใจได้นิ่งอย่างไร ท, ที่จะออกจากดินน้ำไฟและลมได้อันนั้นแหละคือนิ่งแบบพระอริยท่านเพราะท่านนิ่งเพื่อจะออกจากทุกเนี่ยนะนิ่งเพื่อที่สลัดออกจากวัตตะกรณีแรกที่บอกทรมีกระถามหมายถึงพระองค์นี้ชักชวนในความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาคม อาคมนี้หมายถึงประิยะัติธรรม嘛 น, นะพันการฟังธรรมการแสดงธรรมเนี่ยทำให้เชี่ยวชาญในปริยัตนะให้เชี่ยวชาญในพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมส่วนนิ่งแบบพระอริยะนิพพระองค์ชักชวนในความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอธิคมคือชักชวนในอริยมรรคอริยผลและนิพพานอธิคมนั้นแปลว่าการตรัสรู้นั่นเองกรณียะที่หนึ่งคือทำมีคาถาแสดงเหตุที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เหตุปัจจ right? ัยท right. so ี stone, agens, ่ทําให้เกิดสมาธิฏฐิมีสองประการใช่หมหนึ่งปรตโตโคภาสองโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิฏฐิข้อแรกก็คือทํามีกระฐานี่แหละการฟังธรรมการแสดงธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิฏิเป็นเหตุให้เกิดกรรมสกตาสัมมาธิฏิเป็นเหตุให้เกิดฌานสมาธิฏิวิปัสสนธรรมมาธิฏฐิมรักสมาธิฏฐิผลสัมาธิฏฐิเพราะนั้นการฟังธรรมการสนทนาธรรมการแสดงธรรมเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิมันทํามีคาถานี้จึงเป็นเหตุใกล้เป็นอาหารที่ดีแห่งปัญญาส่วนอย่างที่2เนี่ยนะก็โยนิโสมนัสิการเนี่ยนพะันคาว่านิ่งอย่างพระอริยะหมายถึงนิ่งด้วยโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการคือการใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าการคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิด ญญพระองค์เลยตรัสว่าพิกสุทั้งหลายเหตุสองประการตัดใจสองประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีห 5, 5อย่างนะหนอะไรนะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฐิ3วิปัสสนาสัมมาทิฐิสมรรคสัมมาทิฏฐิ5ผลสัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะเหตุปัจจัยสองประการทำให้เกิดขึ้นคือหนึ่งประโตโคสะการได้ยินได้ฟังพระธรรมจากผู้อื่นเขากล่าวเนี่ยนะอาศัยผู้อื่นเขาแสดงทําให้ฟังก็ทำให้เกิดสัมมาทิธฐิมีกรรมมัศกตาสัมมาทิฐิเป็นต้นอย่างที่สองโยนิโสมรสิการก็คือการทำไว้ในใจโดยเยียบคายเฉพาะตนอันนี้ต้องทาเองนะการคิดพระธรรมนี้คนอื่นช่วยคิดเราได้ไหมอนนะี้ ช่วยคิดแทนหน่อยสิได้ไหมช่วยเจริญสมถะแทนหน่อยช่วยเจริญเมตตาแทนหน่อยสิยางไงไม่ได้เนาะท่้นพวกชาการเรื่องกรรมเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วเนี่ยะถ้าทำแทนกันได้นะป่านนีน้คนกินข้าวเผื่อกันหมดละอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะมีหลายหนหนเหลือเกินนะ มันคาว่าพระพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าทำมีคาถากับนิ่งอย่างอริยานี้มีหลายความหมายมากต่อไปความหมายในอื่นอีกว่าทำมีคาถาเนี่ยประกาศมูลเหตุแห่งสัมมาทิฐิฝ่ายโลกิยะการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้โลกิยานะส่วนโยนิโสมนัสิการที่เรียกว่านิ่งอย่างพระอริยะแสดงถึงมูลเหตุแห่งสัมมาทิฐิฝ่ายโลกุตระตรงนี้ยกตัวอย่างมากี่ในอันนะี้ก็ ในยะแรกหมายถึงเป็นเหตุให้ยังลงสู่พระศาสนากับเป็นเหตุให้ออกจากวัตตะในที่สองให้เชี่ยวชาญในปริยัตและมรรคผลในที่สามเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิคือโยนิโสอ่โยนิขออภัยปะโตโะกับโยนิโมสมริคการในที่สี่ก็คือเหตุให้ได้ปัญญาฝ่ายโลกิยะและโลกุตระอันนี้เป็นอันนะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมีตั้ง4ครั้งใช่ม หลังจากที่พระองค์ทราบเนื้อความนั้นเอตมัถังวิธิตาวะความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าสมบัติมีฌานเป็นต้นยังสงบกว่าและประนีตกว่าสมบัติที่น่าไข่อันพิกษุเหล่านั้นระบุถึงนะฌานเนี่ยนะความสุขในเมตตาเป็นต้นอ่ะที่เกิดจากฌานเนี่ยความสุขยิ่งกว่าความสุขของพระเจ้าพิมพิสารยิ่งกว่าความสุขของพระเจ้าประเสรที่โกศล พระองค์นี่ก็ปราลบถึงความสุขเหล่านั้นพระองค์ก็เลยอุทานแสดงอนุภาพแห่งความสุขที่เกิดจากอริยวิหารอริยวิหารเนี่ยนะเขาก็มีวิหารเนี่ยเครื่องอยู่มีกี่อย่างนะหนึ่งอิริยาบถวิหารวิหารเนี่ยแปลว่าที่อยู่นะหรือเครื่องอยู่เนี่ยนะหนึ่งอิริยาบถวิหารสองพรมวิหารสามทิพภวิหารสี่อริยวิหารอันนี้พูดอริยวิหารคือโลกุตระเลย อริยวิหาร ท, ที่พระผู้มีพระภาคแสดงหมายถึงว่าการ ม, มาสุขในโลกและที่ผสุขไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหแห่งสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหาเนี่ยนะคำว่าในโลกโลกสับก็มีหลายในที่บอกว่าคำว่าโลกในที่นี้คือในพระพุทธพจน์เมื่อกี้หมายถึงสัตวโลกและโอกาสโลก เพราะฉะนั้นในโลกนี้โลกนี้คือโลกนี้แค่ไหนภายใต้จำเดิมแต่อเวจีขึ้นไปเบื้องบนแต่รูปประพร ม, มลงมาอันนั้นเรียกความสุขที่ชื่อว่าเกิดพร้อมด้วยกามเพราะอาศัยวัตถุ ก, กามเกิดขึ้นด้วยกิเลสกรรมน่นนะบทว่ายันจิทังที่วิยังสุขขังความว่าสุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของพวกพรมและของมนุษย์ อันได้ด้วยทิพภวิหารนี้ใดความสุขอันเกิดจากพระสมาบัติที่เป็นไปเพราะกระทําพระนิพพานซึ่งมีตัณหามาถึงความสิ้นไปให้เป็นอารมณ์เพราะสงบประงับตัณหาเสียได้ชื่อว่าสุขอันเกิดจากความสิ้นตัณหาแห่งความสุขอันเกิดจากความสิ้นตัณหาดันั้นความสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหามีค่าหรือเยี่ยมกว่ากรมาสุขเป็นต้นเนี่ยนะอะไรนะ สุขที่เกิดจากความสิ้นตัญหาเนี่ยหารสิบหแล้วนะเอาหนึ่งในสิหกนั้นนะ่ะก็ยังสุขมากกว่ามากกว่ากรมมาสุขโละสะโลสิงนะโสรสะก็คือสิบหนะที่เต็มเต็มของส่วนสิบหกในข้อนี้มีเนื้อหาโดยย่อต่อไปว่ากามมาสุขที่เกิดในการมามมาโลกทั้งส1บอ็ประการนะเช่นอะไรสุขของมนุษย์ในมนุษย์โลก เช่นใครมั่งที่มีความสุขพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนะก็มีความสุขนะหรือสุขในเมืองนาคสุขของนาคสุขของครุฑพวกนาคพวกครุฑเขาก็มีความสุขนะพวกนั้นบางพวกก็มีเป็นทิปอ่ะนะหรือการมาสุขหกอย่างในเทวโลกมีสุขในจารุมดาวดึงยามาดุสิตเป็นต้นและความสุขอันเกิดแต่โลกิยาฌานสุขที่เกิดจากปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะหรือเรียกว่าสุข ที่เกิดในรูปประพรมอรู ป, ประพรมสุขในรูปประชานอารูปประชานที่เป็นทิพวิหารหรือพรหมวิหารแม้สุขทั้งสิ้นทั้งสองอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงเซี่ยวกล่าวคือส่วนหนึ่งที่ได้ในการคูณให้เป็น16ส่วนเอาส่วนเดียวจาก16ส่วนนั้นโดยแบ่งสุขอันเกิดแต่พละสมาบัตกล่าวคือสุขอันเกิดแต่ความสิ้นตันหาให้เป็น16ส่วน หมายความว่าสุขที่เราเคยได้ยินได้ยินว่าผู้มีความสุขผู้มีความสุขเนี่ยนะความสุขทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขที่เข้าพระสมาบัติเลยนสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัตินี่ถือว่าสุขที่สุดแล้วโซดาปฏิผลเนี่ยยังสุขกว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนะสุขกว่าปฐมชานไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณาสัญญาตนะสุขกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยอนุภาพแห่ง โซดาปฏิผลสมาบัติจะกล่าวไปยัยถึงอรหัตตผลสมาบัตินะนะว่าอรหัตผลสมาบัติจักสุขปานใดสุขจนไม่เอาอย่างอื่นแล้วนะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีบอกสุขเนอสุกเนอเ น, นี่ยนะก็การพรนนาอัถฐนี้ท่านกล่าวไว้โดยความเสมอการแห่งพระสมาบัติเพราะทําเป็นที่สิ้นตัณหามาแล้วในพระบาลีโดยไม่แปลกกันท่านก็คําว่าความสิ้นตัณหาหมายถึงอะไรโสดาปฏิพลด สมาบัตสกกะทาคามีผลสมาบัตอนาคามีผลสมาบัตและอรหัตผลสมาบัตโลกิยสุขไม่ถึงเซี่ยวแม้ความสุขอันเกิดแต่พระสมาบัตที่หนึ่งเลย น, นะไม่ได้เศษเสี่ยวของโซดาปฏิพนสมาบัตเลยสมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าโซดาปฏิพนประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์ หรือกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งมวลท่านความเป็นพระโสดาบันเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะประเสริฐที่สุดแต่ประเสริฐกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอีกแล้วในในโลกนี้นะไม่รู้จะเอาดินน้ําไฟลมอะไรมาเทียบแล้วไม่รู้จะเอาความเป็นใหญ่แค่ไหนมาเปรียบเทียบเพราะว่าโสดาปฏิผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆของเราถ้าใครได้โสดาปฏิผลสักคนนึ่งนะ่จะได้มาเล่าให้ฟังว่าประเสริฐแค่ไหนเนี่ยนะลงเรืองเกือบหรือยัง แม้ในโสดาปฏิผลสังยุทธ์ น, นะนะโสดาปฏิสังยุทธสังยุตตนิกายมหาวรารวัพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าพิสูจทั้งหลายพระเจ้าจากักรพัฒน์ทรงครองราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตดแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าแต่สวรรคตย่อมเสด็จเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงพระองค์มีนามอักสรแวดล้อมและเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรออยู่ในสวนนันทวัน สวนอันธวันก็คือสวนเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินนั้นน่ะแต่พระองค์ก็ไม่ประกอบด้วยธรรมสีประการแม้โดยแท้คือเนื่องจากว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไม่ประกอบด้วยโซดาปฏิยังฆธรรมสีประการเพราะฉะนั้นพระเจ้าจากักรพรรดินั้นก็ยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นจากเปรตยังไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรก มันพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้พ้นจากอบายอะไรเลยเพราะไม่เพราะอะไรเพราะไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการภิกษุทั้งหลายพระอริยาสาวกยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยคำข้าวและผ้าเปื้อนผ้าเปื้อนฝุ่นและเธอก็ประกอบด้วยธรรมสี่ประการถึงอย่างนั้นเนี่ยนะถึงถึงอะไรถึงจะฉันบินอาหารบินทบดีมีผ้าเปื้อนฝุ่น เธอก็พ้นจากนรกเธอพ้นจากเปรตเกเิดเดรัจฉานพ้นจากเปรติวิสัยพ้นจากอบายทุคติวินิบาตธรรมะสี่ประการที่ทำให้พ้นจากอบายทุกคติวินิบาตมีอะไรบ้างอะไรบ้างเนาะพิสูุทั้งหลายอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าคือมีอาจลาัสัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า ว, ว่า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 นะนี่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมธรรมะข้อที่หนึ่งคือศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวันไวในพระพุทธคุณของเรานี่ออรหังเนี่ยเงาเลยใช่ไหมสัมมาสัมพุทธโธฟังแล้วก็เงาอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็อย่าว่าไม่วันเอออะไรนะศรัทธาไม่หวันไวเลยยังไม่มีศรัทธานี่สิมันลําบากศรัทธามีบ้างไม่มีบ้างก็ค่อยอยังชั่วหน่อยใช่ไหมดีกว่าเงาไปเลยนะเงียบไปเลยนะ บางคนนี่กลายเป็นว่าไ อ, อติปิโสหรืออรหังสัมมาสัมพุโทโธกลายเป็นคําที่น่ารําคาญมากประาณนั้นอันนี้ประกาศถึงไม่มีศรัทธาเอาเลยเนี่ยนะเป็นพวกไม่มีศรัทธาเอาเลยถ้าถ้าเบื่อหน่ายแม้กระทั่งที่จะพูดคําว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะขนาดศรัทธายังไม่มีศรัทธาจะกล่าวไปยัยถึงการตรัสรู้เล่า บางคนก็บอกว่าเบื่อเลอะเกินที่จะสวดมนต์นนะเบื่อเลอะเกินที่จะสรนเสริญพ ร, พระพุทธคุณจริ ง, รงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเบื่อเลอะเกินที่จะเป็นพระโสดาบันเหมือน น, อนนะโดยอัถานี่แปลว่าอย่างนั้นนะคำพูดบางคำเนี่ยถ้าโยงให้ดีๆเนี่ยแปลว่าเขาเบื่อที่จะบรรลุมรรคผลเพราะเบื่อที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าต่อไปอธรรมะข้อที่สองก็คือผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมทีผ่ผู้ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันญูและนัยบุคคลจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนี้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่วันไหวจริงๆเลยนะว่าสวากขาโตพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพวกที arp, ่ไม่มีศรัทธาก็บอกนั่นปริยัตทั้งนั้นเลยกว่างันอันนี้คือพวกที่ไม่มีศรัทธาปฏิเสธปริยัตเป็นต้นการปฏิเสธปริยัตเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลยถ้าถ้าตําหนิปริยัตเนี่ยนะพอมาว่าใครตําหนิปริยัตเนี่ยต่อไปอย่าสวดเลยสวากขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพราะปริยัติเนี่ยคืออะไรคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพรัะเขามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้าผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระโสดาบันเลยก็ปัตตนิปริยัติปฏิเสธปริยัติป ร, ต ป, รตประกาศถึงว่าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันอยู่ในใจเลยและเชื่อด้วยว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะจะทาให้เป็นพระโสดาบันด้วย เพราะอะไรเพราะปฏิเสธพระรัตนตรยัยปฏิเสธสวาขาโตพระวะตาธรรมโมตั้งแต่ต้นแล้วแต่ขนาดนั้นคนผ่านทั้งหลายก็อับโลกไปเสกให้เป็นอริยะบุคคลเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่อย่าโศกเลยยทีนี้ต่อไปเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเนี่ยนะมีอาจฉรศรัทธาในพระสงฆ์นะว่าผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วปฏิบัติสมควรแก่การกราบไหว้เป็นต้นคือคู่แห่งพระอริยบุคคล4โค่นนัเพียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นผู้ควรแก่ ก, การบูชาสักการะควรแก่เครื่องเรียกว่าควรแก่ของฝากเป็นต้นนะควรแก่การทําบุญอุทิศไปให้อาบมนุษย์ทั้งหลาย เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามันผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะบางคนก็อย่างว่าตําหนิพระอานนท์อย่างเงี้ยนะมันก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วที่จะตรัสรู้เนี่ยนะถ้าตําหนิพระอริยะทั้งหลายเนี่ยก็ตรัสรู้ไม่ได้หรอกแล้วข้อต่อไปก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตเสินคือเป็นเสินที่พระอริยเจ้ารักใคร่เป็นศีลนที่พระอริยเจ้าพอใจอริยกันตะนี่แปลว่าการตะนี่แปลว่าพอใจน่าพอใจเนี่ยนะ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 ภิกษุทั้งหลายการได้ทวีปสีนี่หนึ่งการได้ธรรมะ4ีหนึ่งการได้ทวีปสีไม่ถึงเซี่ยวที่สิบของการได้ธรรมะสี่คิดดูนะว่าการได้โลกสมมติว่าให้เราเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยครองครองทวีปคือครองเกาะใหญ่หรือครองทวีปทั้งสี่ทวีปใหญ่เลยเนี่ยนะกับการได้ศรัทธา ม, มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอารยกันตศีนเนี่ย แผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เศษเเสี่ยวที่สิบหกของการได้โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะว่าการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะกับอริยการตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สูงที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นหลายคนก็บอกว่าทําไมมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหลือเกินมาง่นถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าวิจารณญาณวิบัติเนี่ยนะเพราะผู้ที่ มีศรัทธามั่นคงเนี่ยเขาชื่อว่าเขาได้ดีแล้วให้ดีใจเถอะดีใจว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าดีใจที่มีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์มีมีศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเนี่ยนะควรที่จะดีใจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ควรสแสวงหาก็ตอบว่าสิ่งที่ควรสแสวงหาคือสแสวงหาศรัทธาคือความเลื่อมใสใน พระพุทธเจ้าสแสวงหาความเลื่อมใสในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเท่ากับเป็นการสแสวงหาความปิดอบายทุคติวินิบาตและนรกกาเนิดสัตว์เดรัจฉานสแสวงหาการปิดบาปปิดอกุศลเนี่ยนะปิดการเป็นไปในสังสารวัตมีภพที่แปดเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจาแนกโลกยสุขว่ายิ่งว่าเป็นด้วย ว่าเป็นไปกับด้วยความดียิ่งทรงจำแนกเฉพาะโลกุตระสุขวกยอดเยี่ยมว่าดียิ่งในที่ทุกสถานด้วยประการชนีก็คือโลกุตระสุขเนี่ยสุขยิ่งกว่าโลกิยะสุขโดยประการทั้งปวงมันสรุปว่าโซดาปฏิผลยยิ่งใหญ่กว่าทุกชนิดยิ่งในโลกเนี่ยนะในโลกิยะทั้งหมดเนี่ยโซดาปฏิผลประสฐที่สุดแต่ถึงกระนั้นโสดาปฏิผลก็ยังไม่เท่เทา สกัาคามีผลสกัดาคามีผลก็ยังไม่เท่าอนาคามีผลอนาคามีผลก็ยังไม่ถึงอรหัตผลอรหัตผลของบุคคลทั่วไปก็ไม่ถึงอรหัตผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธอรหัตผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดแล้วนะงั้นผู้ใดที่มีศรัทธาใน อ, าอริยมรรยพจน์ก็ชื่อว่ามีศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระธรรมเนี่ยเพราะพระธรรมคือปริยัติอริยมรรยพจน์และนิพพาน ผู้ที่ตรัสรู้ปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์พัน้าเราทําบุญตั้งความปรารถนาอันหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า น, นะใครเคยทําบุญและตั้งความปรารถนาอย่างนี้บ้าง ขอให้ข้าพเจ้านี่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างเถอะขอใจข้าพเจ้าอย่าได้ห่างจากพระพุทธเจ้าเลยอย่าได้ห่างจากพระธรรมพระสงฆ์และอย่าได้ห่างจากศีกขาเป็นต้นเลยขอให้มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในศีลเลยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ต้องตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยขึ้น ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งอัธยาสายขึ้นบางทีไม่ยอมหรอกนะบอะไรนะทางเลือกสุดท้ายคือพระรัตนตรัยใช่ไหมเมื่อหมดเรื่องอื่นหมดแล้วค่อยว่าอีกทีเหมือนกันนะน